บางครั้งก็เป็นปาตกถาธรรมบ้างและบางครั้งก็เป็นการตอบปัญหาธรรมซึ่งวันนี้ก็เป็นการตอบปัญหาธรรมต่อเนื่องจากขาดที่แล้วที่หลวงพ่อท่านได้บรรยายไว้ให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษาที่เข้าไปอบรมได้รับฟังกันในเรื่องหลักของการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกาย ซึ่งหลวงพ่อกําลังอธิบายขยายความในเรื่องของหลักวิธีการปฏิบัติตามหลักทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าปฏิบัติตหลักสมถะวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองก็ขอเชิญท่านสาธุชนมาสดับเนื้อหาสารธรรมจากการตอบปัญหาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยพร้อมกันในบัดนี้ทีนี่มีอีกพวกหนึ่งพวกพุทธจริตเจ้าปัญญา เจ้าปัญญาถ้ามันปัญญาถูกต้องจริงๆแล้วไปเถอะแต่เจ้าปัญญาจนเกินเหตุเกินเหตุคิดมากจนกลายเป็นสติเฟื่องพวกสติเฟื่องนี่ค่ะท่านให้เจริญมรณสติให้เห็นความจริงเยอวะว่าจะต้องตายนะอย่างหนึ่งอุปสมานุสติ ให้เห็นคุณของพระนิพพานคือความสงบความสะอาดผ่องใสในจิตใจหรือให้พิจารณาอาหารสักว่าเป็นาธาตุหรือเป็นแต่ปฏิกูลหรือพิจารณาทุกสิ่งทุกทุกอย่างให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นสักแต่ว่ า, าธาตุน้ำดินไฟลมเป็นต้นนี่เป็นวิธีการอันนี้สมเด็จพระมหาสมณเจา้าครมพระยาวชิระยานวโรรสซึ่ง ทรงเป็นปราฏในทางพระพุทธศาสนาได้ทรงรวบรวมหมวดหมู่นิพน์ขึ้นว่าหัวใจสมถะกรรมฐานมีอยู่สี่อย่างคือว่าอันนี้ให้ถือเป็นหลักในการพิจารณาว่ากายคาตาสติสติพิจารณาเห็นส่วนต่างๆของร่างกายว่าไม่งดงาม อันนี้เอาไว้ใช้สำหรับคนที่มีการมาฉันทะกล้าและถ้าใครมีความหงุดหงิดโกรธพยาบาทบ่อยๆให้พิจารณาพรหมวิหารธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาพรหมวิหารคนขี้ง่วงเหงาหาวนอนขี้เกียจหรือจิตใจหดหู่ท้อถอย ท่านในพิจารณาคุณของพระพุทธเจา้าพุทธานุสติและคนที่ขี้ฟุง้งซ่านนี่ถามมาเนี่ยทำยังไงมันถึงจะตัดใจออกจากความฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆได้กระสินยังไงล่ะเพ่งและต้องประกอบด้วยสติสมัมปชัญญะนึกเห็นอยู่เรื่อยฝึกจนกระทั่งใจมันอ่อนโยนมันรวมเข้ามาอยู่ที่นี่ นี่นี่เรียกว่าหัวใจสมถกรรมาฐานทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านทาั้งหลายมาดูหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้อะไรท่านสอนอยังไงท่านสอนให้ใช้อโลกะกะสินการเพ่งกะสินแสงสว่างเป็นอันดับหนึ่งเป็นตัวสำคัญนี่กะสินนี่กสินนี่ครอบจักรวาล น, นะ หมายความว่าเหมาะกับจริตอัธยาศัยของคนทุกจริตอัธยาศัยไม่ว่าจะแบบไหนคนที่มีการมมาฉันทะถ้าใจมารวมเป็นหนึ่งการมฉันทะหมดไปคนที่ขี้งุดงิดพยาบาทใจมารวมเป็นหนึ่งได้งุดหิดพยาบาทหายไปคนขี้ง่วงเหงาหานอนใจมารวมหยุดเห็นแสงสว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็สว่างหายง่วง นี่กสินแสงสว่างมีคุณมากพระพุทธเจ้าเราเมื่อสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก่อนแต่จะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงเจริญอยู่สองอย่างอาณาปานาสติหนึ่งอาโลกะกระสินหรืออาโลกะสัญญาความจำแสงสว่างได้อีกอย่างห น, นึ่งนี่ เพราะฉะนั้นอาโลกะกระสิลนี่เป็นกระสินกลางที่เมื่อเจริญกระสินอะไรต้องมาเห็นเป็นดวงผ่องใสสว่างและเป็นกระสินที่มีอนุภาพเป็นพระกรรมฐานที่มีอนุภาพแกผู้มีจริตอัธยาศัยทุกจริตอัธยาศัยให้ใจมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันได้ แต่การเพ่งกระสินแสงสว่างโดยหลักเริ่มต้นนั้นเขาจะนั่งในที่มืดเจาะรูให้แสงสว่างลอดเข้ามาแล้วก็เพ่งความสว่างจุดนั้นจนนึกเห็นได้หลับตานึกเห็นได้ก็พยายามประคองใจนึกเห็นอยู่นั่นแหละบริกรรมนิมิตพอใจมันสงบเห็นเป็นดวงใสชั่วคราวเป็นอุกขหานิมิตและจนใจสว่าง ใจสงบนิ่งหยุดได้แน่นอนได้ถึงปฏิภาคณิมิตลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นจะย่อให้เล็กก็ได้จะขยายให้โตก็ได้นั่นเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌานทีนี้หลวงพ่อแทนที่ท่านจะให้เราไปนั่งในที่มืดแล้วนั่งเพ่งแสงสว่างท่านเอาระดับอุปคหะณิมิตมาใช้เป็นบริกรรมนิมิตเห็นหรื อ, อยัง นี่คือความฉลาดของหลวงพอ่อวัดปากน้ำคือเห็นเป็นดวงใสแต่เห็นได้ชั่วคราวท่านก็เลยให้เพ่งดวงแก้วนี่แหละดวงใสแหะในเบื้องต้นเอาเบื้องต้นมาเป็นบริกรรมเอาเบื้องกลางเอามาเป็นบริกรรมเบื้องต้นให้ใจรวมเร็วเพราะใจไม่มีรูปร่างนี่ต้องผูกด้วยกะสินจึงจะ มีอนุภาพพอจะผูกจิตใจคนยุคใหม่หรือทุกยุคทุกสมัยที่มักจะพุ่งสร้างมักจะประกอบด้วยกาม่ฉันทะและหลายๆอย่างให้มารวมเป็นจุดเดียวกันพอเห็นแสงสว่างวาบหนึ่งคนขี้ง่วงปลอดโปร่งขึ้นมาทันทีนะอย่างนี้เพราะมันสว่างในใจ แล้วกระสินแสงสว่างนี้ยังมีคุณต่อไปอีกนะว่าพอใจสงบหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายได้ถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสยสว่างขึ้นมาแทนที่แทนที่ปฏิภาคานิมิตแต่เราไม่รู้ตัวแต่รายละเอียดก็ค่อยว่ากันทีหลัง คือจิตดวงเดิมเนี่ยมันละปฏิภาคณิมิตตกศูนย์ปรุงเป็นจิตดวงใหม่พองใสตั้งอยู่ในถามกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมซึ่งมีธาตุละเอียดของขันห้าอายตนาสิบธาตุปซึ่งเป็นธาตุธรรมที่ช่วยให้รู้เห็นคือเกิดทิพะจักสุทิพโสดได้ง่าย แล้วจึงจะเห็นทำในธรรมเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตและทำในธรรมต่อต่อไปจากกายมนุษย์อยากเป็นกายมนุษย์เห็นเป็นกายมนุษย์ละเอียดซึ่งมีอยู่ข้างในมันมีอยู่ทุกคนเห็นกายชิดเห็นกายพรมรูปประพรมตามระดับภูมิจิตที่เราชำระกิเลสด้วยการข่มกิเลสไปจนถึงผ่องใสบริสุทธ เห็นถึงพุทธธรรมคือธรรมกายที่บริสุทธิ์นี่แหละคือคุณของอาโลกะกสินและคุณของสมถภาวนาในเบื้องต้นตรงนี้และหลวงพ่อท่านใช้สามอย่างรวมกันนะไม่ใช่อโลกะกสินอย่างเดียวท่านใช้อนาปานสติด้วยคือให้ใจมารวมหยุด ตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกตรงระดับสะดือนั้นเป็นที่สุดและเป็นที่ตั้งต้นลมหายใจเข้าออกแต่ท่านให้ยกใจขึ้นมาตั้งเหนือนั้นสององคุลีมือเพราะฉะนั้นเมื่อเรากําหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจเป็นดวงแก้วกลมใส ใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กสายกลางดวงแก้วกลุ่มสายมีสติพิจารณาเห็นลมหายใจเข้าออกตรงนั้นแล้วเมื่อลมละเอียดหนักเข้าก็หยุดตรงนั้นอย่างมีสตินั่นคืออาณาปานาสติด้วยนี่พระพุทธเจ้าท่านเมื่อสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตวนะ์ทรงใช้อาณาปานาสติกับอาโลกกสินและ ทรงใช้พุทธานุสติด้วยองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอาระหังสัมมาอะระงนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทธโทธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยรรสัจสี่ด้วยพระองค์เองอย่างถูกต้องชื่อว่าโดยชอบนั่นคือพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอะระหังแปลว่าพระผู้ไกลาจากกิเลส ไม่ทรงกระทรรมความชั่วทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยชื่อว่าเป็นพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังน้อมพระพุทธคุณคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติกลายเป็นกรรมฐานสามอย่างรวมกัน คืออาโลกกสินหนึ่งพุทธานุสติหนึ่งอาณาปานาสติหนึ่งครอบคลุมผู้ที่มีจริตอัธยาศัยคือช่วยแก้ผู้ที่มีจริตอัธยาศัยทุกอย่างได้ทั้งหมดจึงเป็นกรรมฐานที่มีอนุภาพมากถ้าใครปฏิบัติจนเข้าถึง ดวงใสแจ่มได้นั้นจะเริ่มรู้ผลของการปฏิบัติด้วยตนเองว่ามีค่ามหาศ า, ศาลเพราะที่ประจกักษุเริ่มเกิดแล้วสามารถจะรู้เห็นเปรตเห็นเทวดาได้แล้วแม่เพียงเห็นดวงในสายพุทโธนะ่ท่านเห็นดวงนะแล้วท่านแทนที่ว่าจะหลงไปตามดวงข้างนอก อันนั้นเรียกว่านิมิตณภายนอกในประวัติปรากฏหลวงปู่มั่นเคยติดตามหลงไปตามนิมิตภายนอกถึงสามสี่เดือนท่านเห็นว่าไม่ใช่ทางจึงละเสียแต่แล้วท่านก็ปฏิบัติและสอนพวกชาวเขาให้เวลาเดินจงกรมหาดวงพุทโธดวงพุทโธเนี่ยท่านใช้บริกรรมภาวนาพุทโธ พิจารณาลมหายใจเข้าออกแล้วลมมันหยุดตรงศูนย์กลางกายเหนือระดับสะดือสองนิ้วมือเรียกว่ากลางนาผีเป็นดวงเหมือนกันใสเหมือนกันแล้วก็ท่านพิจารณาสภาวะธรรมจากกลางของดวงธรรมนั้นนำไปสู่ความเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะธรรมและสัจธรรม แต่ว่าต้องเห็นณภายในพิจารณาณภายในละเอียดเข้าไปจนสุดละเอียดส่วนภายนอกเป็นส่วนหยาบหรือเรียกวันณภายนอกส่วนที่ละเอียดเข้าไปข้างในเรียกวันณภายในหรือส่วนละเอียดจากสุดหยาบไปสุดละเอียดนั่นแหละเมื่อใจผ่องใสพิจารณาเห็นสภาวะของสังขารจากสุดหยาบไปสุดละเอียด ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามที่เป็นจริงชื่อว่าได้วิปัสสนาปัญญาแล้วเห็นต่อไปถึงทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกตามที่เป็นจริงนั่นเป็นโล ก, กุตรปัญญาก็บรรลุ ถึงมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้นั่นแหละในส่วนของการพิจารณาสภาวะของสังขารให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าไม่งามและไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เห็นอริยสัจ ต, ตามที่เป็นจริงนั่นชื่อว่าวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งจะเห็นแจ้งอย่างนั้นได้เมื่อใจผ่องใสจึงควรแก่งานในช่วงนั้นชื่อว่าการอบรมปัญญาหรือเรียกว่าปัญญาสิกขาในช่วงช่วงสมถะเรียกว่าจิตตสิกขาให้ถึงอธิจติตตสิกขาคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งถึงขั้นวิสุท ธ, ธิจิตหรือจิตตวิสุทธิความหมดจดแห่งจิตใจ เพื่อพิจารณาสภาวะธรรมและสัจธรรมให้เห็นตามที่เป็นจริงในขั้นวิปัสนาภาวนาเรียกว่าปัญญาศิกขาการอบรมปัญญาให้ถึงอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งเห็นแจ้งในสภาวะของสังขารและเห็นแจ้งในสัจจะทั้งสี่คือทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ตามที่เป็นจริงนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานเป็นอย่างนี้ทีนี้การอบรมสมถภาวนาให้ใจสงบหยุดนิ่งด้วยอุบายวิธีที่มีอนุภาพสามอย่างครอบคลุมจริตอัตยาสัยของคนทุกจริตอัตยาสัย จึงเป็นกรรมฐานที่มีอนุภาพมากแต่ว่าการที่จะนําใจไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายเพราะตั้งแต่เราเกิดมาใจเราออกนอกตั้งแต่รเราแวะเลยอูแวะกับใจนึกหิวนมแล้วจนกระทั่งบัดนี้เพิ่งจะมาฝึกและยิ่งโตขึ้นมาทั้งงานทั้งลูกทั้งเมีย ทั้งสังคมทั้งสารพัดอย่างทั้งมีสุขมีทุกข์อยากดีมีจนใจมันไปอยู่ข้างนอกหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะรวมกลับมาข้างในเพื่อให้เห็นดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายให้เห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมอย่างแจ้งชัดจนถึงขั้นเห็นนรกสวรรค์ ได้รู้ความปรุงแต่งด้วยบุญกุศลเรียกว่าปุญญาพิสังขาร น, นั่นไปเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีและในเทวโลกอเนญชาพิสังขาร น, นั่นปรุงแต่งด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวไปเกิดในพรหมโลกอปุญญาพิสังขารคือความปรุงแต่งด้วยบาปอากุศลไปเกิดเป็นเปรตสัตว์นรกอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานตามกับนี่แหละวิชาที่ให้เห็น แจ้งรู้แจ้งอย่างนี้วิชาธรรมกายหรือที่หลวงพ่อสอนให้ปฏิบัติถึงธรรมกายสามารถให้เห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้ถ้าใครปฏิบัติตามและถึงธรรมกายได้และเห็นแจ้งไปถึงพระนิพพานก็แปลว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาโครงสร้างของพระพุทธศาสนาได้โดยสะดวกเพราะฉะนั้น นี่คือคุณความดีอย่างประเสริฐในการปฏิบัติภาวนาทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานตามแบบที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนให้ถึงธรรมกายให้ถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีอย่างนี้แล้วมีตัวอย่าง ผู้ที่ได้รับผลอย่างนี้มากแล้วท่านพิจารณาเอาเองว่าควรจะเลือกวิธีไหนและวิธีไหนที่จะให้คุณค่าเกิดที่ประจักษสุที่ประโส์เกิดวิชาเช่นปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ตามรอยบาทพระพุทธองค์ จุตูปาตยานเห็นไปข้างหน้าได้ว่าสัตว์ทกรรมอะไรได้รับผลอย่างไรตามสมควรแก่ภูมิธรรมตามรอยบาทพระพุทธองค์และพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติที่เป็นจริงจนถึงอริยสัจ ต, ตามที่เป็นจริงได้สะดวกตามรอยบาทพระพุทธองค์ท่านไปพิจารณาด้วยตนเองว่าวิธีปฏิบัต ในขั้นสมถะภาวนาเบื้องต้นที่จะมีผลให้ไปเห็นแจ้งรู้แจ้งในขั้นวิปัสนาภาวนาได้อย่างนี้มีวิธีใดที่ดีกว่านี้ท่านไปสืบหาเอานี่แหละที่อัตมาบอกเพราะฉะนั้นคำถามของโยมว่าการฝึกสมาธิ แบบหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้ได้กับทุกคนทุกจริตหรือไม่ตอบว่าใช้ได้กับทุกคนทุกจริตอัธยาศัยแต่ว่าการที่จะได้ผลเพราะมีเครื่องวัดผลตั้งแต่นึกเห็นดวงได้ไหมเห็นแล้วพอใจมันสงบมันหยุดมันนิ่งมันไม่ต้องนึกแล้ว มันเลิกละการนึกแล้วเมื่อเห็นดวงใสแจ่มตรงศูนย์กลางกายซึ่งคนเข้าใจผิดนึกว่านึกเรื่อยไปไม่ใช่มันนึกในเบื้องต้นเพื่อเอาใจมาหยุดแต่พอใจมันหยุดตรงกลางกาเนิดาธาตุทำเดิมแล้วจิตมันตกศูนย์จิตมันเกิดดับมันปรุงแต่งมันปล่อยปฏิภาคหนิมิตรไปแล้ว จิตดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายตรงกลางกำเนิดธาตุทำเดิมนี่มันลอยเด่นขึ้นมานี่แหละคือธรรมในธรรมซึ่งสามารถจะพิจารณาเห็นกายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาหรือเห็นนามรูปไปตามสภาพที่เป็นจริงจากสุดยาไปสุดละเอียดแล้วพร้อมกับชำระกิเลสในใจตนในขณะปฏิบัติจนถึงพุทธธรรมคือธรรมกายนี่เป็นอย่างนี้ ช่วยให้รู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานรู้เห็นความปรุงแต่งด้วยบุญด้วยบาปด้วยฌานสมาบัติที่ไม่หวั่นไหวจึงรู้สภาวะของสังขารได้หมดทั่วทั้งพบสามนี่การรู้เห็นอย่างนี้มันเป็นกาไรชีวิตมันไม่ใช่ธรรมดาอาตมานี่แต่ก่อนที่จะมาปฏิบัติอย่างเข้มขน้น ก็ตกอยู่ในกามฉันทะหมกมุ่นอยู่ในกามฉันทะมีสุรานารีเป็นต้นเหมือนคนอื่นเขาตามสมควรแก่ชีวิตของชาวโลกแต่เมื่อมาได้ข้อมูลตามที่เป็นจริงจากผู้ที่เชื่อถือได้คือลูกที่เขาถึงธรรมกายก่อนได้เห็นปู่ของเด็ก ว่าแม้เพียงดื่มเหล้าวันละกงสองกงเช้าเย็นก่อนอาหารเสมอเสมอด้วยใจที่ติดคืออุปทานด้วยตัณหาความทะยานอยากและความหลงผิดอย่างนั้นเมื่อแต่กายทำลายขันไปเกิดเป็นสัตว์นรกได้เห็นว่าผู้ที่ประพฤติผิดในกามไปเกิดเป็นสุนัข ก, ก็มีเกิดเป็นเปรตก็มีเกิดเป็นสัตว์นรกก็มี อาตมาจึงเลิกละเรื่องสุราและนารีได้เด็ดขาดหยุดเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นเราเอาตัวรอดไม่ได้จนกระทั่งตั้งใจปฏิบัติไปพอได้มีประสบการณ์กะเขาบ้างเล็กน้อยพอเป็นแนวทางเป็นเครื่องบำรุงสติปัญญาของเราให้มุ่งเข็มไปในทางที่ดีไม่ไปในทางที่ชั่ว เพิ่มมากขึ้นตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้มาจนกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นนี่แหละคือคำตอบข้อสองและนอกจากคำตอบข้อสองที่ว่าใช้ได้กับทุกคนหรือไม่ตอบว่าใช้ได้ดีที่สุดอย่างนี้แล้ว ก็จะมาเข้าคำถามที่สว่าการเข้าวัดของพวกกระผมจําเป็นต้องปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงธรรมกายหรือไม่เพราะในชีวิตสังคมภายนอกยังต้องแข่งแย่งแข่งขันเพื่อความอยู่รอดการเรียนรู้ธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจําวันการไม่ทาชั่วการทำบุญบ้างตามโอกาสจะเป็นการเพียงพอหรือไม่ อันนี้อาตมาใครจะเปรียบเทียบให้โยมคุณตำรวจทั้งหลายได้ทราบว่าการทำความดีเนี่ยจะถามว่าดีแค่ไหนจึงจะเพียงพอก็เปรียบเหมือนคำถามที่ว่าจะหาเงินเท่าไหร่มันถึงจะพอจะเอาแค่ว่าพอเลี้ยงอาตมา เก็บกระถินข้างรั่วเก็บผักตาลึงข้างรั่วปลูกตะไครขาพริกผักเล็กๆน้อยๆพอรับทานแค่นี้พอไหมนี่ท่านก็ตอบได้เองจะว่าพอก็ใช่แต่ว่า ในเรื่องของอาหารท่านต้องดูต่อไปว่าอาหารบางอย่างเป็นพิษอาหารบางอย่างมีแต่คุณอาหารบางอย่างมีทั้งคุณและเป็นทั้งพิษถ้ากินมากก็ถึงความเป็นโทษได้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 ที่จะเกิดแก่ร่างกายของเราเราจะเอาแบบว่าชาวบ้านเอาแค่เนี้ยพอไหมจะตอบว่าพอก็ได้แต่ว่าเมื่อไหร่ไปหลงรับทานอาหารที่เป็นโทษโดยเราไม่รู้ตัวไม่ได้ศึกษาหรือขาดแคลนอาหารสารอาหารที่สําคัญบางอย่างท่านก็มีสุขภาพที่จเจริญดี ในระดับหนึ่งหรืออาจจะแย่ลงไปอีกในระดับหนึ่งสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสู่รสันติที่จบไปนั้นก็เป็นการตอบปัญหาธรรมของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลในเรื่องหลักการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งหลวงพ่อท่านได้อธิบายให้แก่ข้าราชการตำ ร, รวจได้รับฟังกันธรรมเรื่องนี้ยังเหลืออีก ขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้รายการธมรมสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร